เราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันพอใจมันยุ่งชกกันยุ่งอยู่นันไม่มีเวลาสบงบยุ่งเป็นตลอเวลายว่ายุ่งเหมือนยุงตีกันยุงชกกันจิตของ ท่านผู้บริสุทธิ์ถ้าอาจะเทียบก็เหมือนกับน้ำานิ่งที่สาสสะอาดเต็มที่แล้วนี่งนี่เพียงเป็นข้อเทียบเคียงแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำาพบไม่ใช่ด้านมาัตถุแต่ก่อนเ็เป็นจิตสภายุงเหมือนกันกับพวกเราเนี่จิตของทุกคนต้องเป็นสภายุง ชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกพันกันตรงนะั้นอ่ะตลอดเวลากรรมการเขขึ้นเวทีเขายัางมีนี่ว่นอกมวยเขาขึชกกันบนเวทีเขายังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาพจิต สภาหยุงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครพราต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภาหยุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยล้มดุกคุกรานก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไม่ทราบใครจะแยกใครพอเวลาจะมีผูไปแยกก็ไม่อยากให้แยก ทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกเขาไม่อยากให้แยกก็ธรรมดาอ ม, มวยยุงสภา ย, ยุงนี่นั่นก็เหมือนยังครูบาอาจารย์หรือธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเนไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟัง เนีคือไม่อยากแยกเพื่อนยังไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลกันอยู่งั้นทั้งบันทั้งคืนอืรับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ําตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยู่นั่นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบผัดเทียบทําไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมาอย่างไงไงบัง่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้ มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจากทุนมุลอยู่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนวุ่นวายของตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเฉพาะเนีมว่าไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกกรร็ได้แก่พระพุทธเจ้ารือครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกอรหรันหันแย ก, กออกด้วยเหตุด้วยกลเมื่ออาดด้วยทำ จิตไม่ชอบธรรมดาจิตสภายุงนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นมันถึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่ราบใดความสุกก็มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่ตราบนั้นกี่ปีกี่เดือน ก็ตามมันก็เป็นสภาพที่ไม่เคยเป็นยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทำให้คล้อยตามมันเชื่อมันไปทุกอย่างเพราะมันมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แย่จะแย่พอที่จะฝืนกันมัง่งถ้าพูดดยสนใจในอ น, นัตธรรมแล้ว ก, ก็มีทางฝืนอย่างพวกเราทั้งหลายเราคุยปฏิบัติกันนี้ การธรรมดาการปฏิบัติการฝึกหัดดัดแปลงคือการฝึกขทรมานจิตใจนิ้วกดถีบบังคับจิตแม่มันคิดแปล น, นที่ต่งตางๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากก็เรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทํำน่าจะมีความลําบากระบ น, นอย่างไรเราก็ทํานี่ผู้ผู้อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลําลบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อทํา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 ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากเพราะนั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากาสัตว์ที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดแต่ฉลาดเพื่อการปิดเปื้อนทุกขนาดในการเห็น อ, อกเห็นใจกันเที่ยงเทียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะมีมากเพียงอไรก็ตามก็จะยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง เมื่อการเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่างตัวเองเท่านั้นทั้งๆที่อาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียงเท่นั้นเนี่เรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกวันพรือต้องการอะไรมาก็เพราะเห็นนี้เองรวมแล้วก็เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นใดขาพผู้ปฏิบัติธรรมะ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 น่าเป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาอืคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาแต่อยางในทางที่ผิดอยากอย่างไรก็มากอย่างไรก็ยิ่งเป็นกา ร, รเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผล ควจะแก้ไขดัดแปลงยัยงไงด้วยหยุดด้วยยาหรือด้วยอัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวังทางปรญญาจิตใจั้งเราไม่ไปยุ่งจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาปาญญจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกทางใจเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกหนัก ทุกทางใจนี้เกิดเพราะอำนาจของกิเลสทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของธาตุนก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี่ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้เหตุผลอันใดเจ็บกุที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ขไขไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งซคือรู้ว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเดาเนี่ยมีความแยกกันจะเป็นขึ้นมากน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแยกขายนั้นไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายามรักษาใจอย่าให้คกำเริบไปยึดไปถือไปวุ่นวายกับเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุนั่นน่ะแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งเป็นหนัก ผู้ปฏิบัติธรรมะรินไข้ควรอย่างนี้ไม่เหมือนทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วทีนี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมีทางหลีกมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบ่งหนักแบ่งเบาทรพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกกันจนทั้งหมดนี่ปิดกันที่ตรงนี้ สอนทำท่านสอนโดยถูกต้องผู้ปฏิบัติทำจึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องท่านุเรื่องขันที่มันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับการของเราตลอดเวลานี่แหละจะปฏิบัติที่ไหนเมื่อปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูกเรื่องภายนอกเกี่ยวกับใครๆสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับระหว่างขันกับจิตซึ่งติดแน่อยู่กับเรา เนี่ยถือคำว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกไม่พยายามจะแยกเพราะไม่เข้าใจนี่เมื่อเราได้เข้าใจในอัดในทําแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามสัตว์ตามส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยแม้มันปกติไม่เกี่ยวข้ายได้ป่วยอะไรก็ทราบว่าธาตุขานี้มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรเปลี่นขึ้นมา ในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าวถ้าขันนี้มันแปรปรวนของมันแต่ใจอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคชนิดนั้นเนีย่ยยาหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกสินตัวเองนีม่มาเสียดแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจนี่อเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองปิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย มีความสม่ำเสมออยู่พันนจิเรื่องความตานั้นหมอกให้ถาดให้ขันไปเสียเรื่องความเป็นอยู่ของขันกับหมอกให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นอยู่เพื่อจะไปมีความแปลจากาตตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ไม่มีว่ากลางวันกลางคืนเดิอเดินนั่งนอนแปลอย่อย่างนั้นแต่เมื่อแปลไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นหเราทราบกันไหมทุกระยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมฐานทำงาน<ม>กรรมะแล้ ว, ว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำงานในธายในกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ชาติรู้พิเดชคันหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานตันเตยสาลรมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้ ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยามก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนผนเล็บฟันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสกปรกโสมงขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนไปเสียเพราะว่าตนของเราจริงเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมงเมื่อสิ่งสกปกสมมมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดทางพนธจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดพันธุจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกปรกโสมมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งแจ้งชัดเจนไปโดยลําดับนี่กองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นแตเพียงว่าอาศัยการชั่วระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเี่ยมียกว่าเรียน เรกว่าถูเรียกว่าชำระตัวเองอย่างสิ่งตอนนี้เขาก็อยู่ตามสภาพจิตใจของเราก็ร่มเย็นเราพิจารณาการพิจารณาส่วนน่างกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประการหนึ่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่บุ้งเฟอ้อเหอือดเหอือมไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันนะ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 เบซาลูมานคคารันาตาตะโจตะโจรันตานาคาลูม า, าเบซ่สาสอนอารมณ์พิจารณาแบบอารมณ์พิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำเนิ่ชานานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลําดับลําดับนี่ี่อุปชาใดก็ตามเวลาบวชคุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องมือพิ่ันถือเป็นหลักสำคัญในการถอดถอนกิเลสปัญหาสาระอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถนัดตะจะปักรกกรามาฐานกรมาฐานมีหนังเป็นที่ห้าท่านึงครอบพอเป็นต้นรากาสุขวิการทั้งหมดรวมอยู่ในนี้อันจึงสอนให้พิจารณา ผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งข้างหนอกข้างในเพราะสภาพเหมือนเหมือนกัน mm hmm. กลัวผีกลัวปิดอนออจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมันมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเอง mm hmm. ผีกับผีนี่ป่าชา้าอยู่ในนี้ร่างกายของเรามันมันจุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ซากกี่ สติประเภทมันก็ค่เข้าบรรจุว่ในป่าชา้าผีดิบอันนี้รูพี่อันนี้แล้วจะไปตื่นเต้นลหลงไหลไปอะไรก็กไปป่าช้าที่ไหนอีกอืออกทางนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมัง่งแล้วก็ดูสิครัวไฟเราเนะี่ยเราไม่เห็นครัวซากผีภายนอกตัวซากกบซากเหยียบซากปาูซากปลาอะไรมันเต็มอยู่ในครัวไม่เห็นเป็ดไก่ไม่เห็นครัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเผลอไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภัยแก่ตนเองเองกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความนําหมักน้ำบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัวยิงได้คติอันดีด้วยวินาเนี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวัน มีอย่างไรนี้ปา่าชะาพิจารณาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความชำนิชำนาญเกิดความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นมาโดยลําดับลําดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคําว่าอุปทานคือจิตไปเขี่ยวยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แปลว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเที่ยวอาศัยอยู่ในนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอํานาจตัวเองไม่มีวาสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอํานาจวาสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันผิดเมื่อพิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวของเราได้ไม่ต้องไปอาศัยพึ่งพิงกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภายใาใจใจก็สงบร่มเย็นนี่ ท่านสอนกรรมฐ า, านท่านสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากเภายในจิตยิ่งมีความกระจ่ า, จางแจ้งไปโดยลาดับทะลุบุปเฟ่ลงไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหารอยู่ภายใจิตใจเวลาํานาญจริงๆมีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกำห น, นดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทนันใ มัมาจจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือไม่มาจจะร่างอันไหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความสะนิคคำนานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรือว่าได้อย่างใจมองเห็นสัตว์เห็นบุคคลนี้มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละประจักภารจิตใจพอกํหอาหนดปั๊บ ตง น, นี้มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตัวเองอย่างรวดเร็วนี่คือความํานาญเราเขียนหนังสือทีและเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวแล้วพื่งหัดน่อ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลื ม, ลมแล้วเขียนอยู่นั้นไม่เป็นตนเป็นตัว เขียนไปเขียนมาเขาเริ่มเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยลำดับต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตามันผิดกันที่ตรงนี้ก็นั้นชำนาญขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นผิดกับการเขียนการพิจารณาทั้งด้านปัญญาในส่วนต่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐ า, านนี่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นตัางหากนี่ท่านเรียกว่ากรรมฐานงานรู้โลกรู้อสองสารารู้พกรู้ญาติรู้กิเลสทันหารู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมฐานนี่เป็นอาวุธสําคัญฟาดฟันกิเลสทันหาอสวะความนิดมั่นถือมั่นสําคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงท้าวอนเป็นสุขเป็นอัตตา ทำลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่ง น, นั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายไปเป็นผู้ปลอมเช่นเดียวกับสิ่ง น, นั้นไปเสียหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นท่านสอนนี้สอนตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์รู้ตามควมามเป็นจริงของสิ่ง น, นั้นนี่จิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลําดับลำดับ แล้วก็เย็นผู้ปฏิบัติทรรมแบบนี้เย็นอยู่ไหนก็เย็นปัญญาผิดขึ้นทุกวันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆ่ ง, งหูจมูกเลี้ยกายแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใจิตใจก็ทันถ้าสติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันทั้งนั้นแต่ก่อนมันไม่ทนันคิดเออจนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันพอเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภายในตาหูจมูกลิ้นกายหรือตุ้มขึ้นภายในใจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าปตุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ตุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้ท้าทันและพิจารกกันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแค่วของสติปัญญาที่พิจแกนา ม, มาเป็นสติปัญญาที่เลี่ยงไกลามากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายทีเลตมันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพบเป็นฉากออกแม่แพ่ลูกแผ่หลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ต่างบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่เวลาลวเราเยียนอัดเยียนทาปฏิบัติทาแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟันหันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพกิเลสไม่ว่าลูกไม้ล้านไม่ว่าปูย่าตายยาของมันทาลายลงไปจนหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาณกน จ, จิตใจภพชาติหมดไปเอง ความสุขไมตไ่ต้องเรียกหาที่ไหนเหมือ่อกิเลสตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากนะ้อยความสุขก็เปิดขึ้นมา่กิเลสสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความทุกข์เพราะกิเลสมาแย่งเอาไปกินหมดออืขนทุกข์มาให้เราี่พอฆ่ากิเลสลงไปจนกระทั่งกิเลสตายหมดแล้วความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านเรียกว่าปรมางสุขขังอ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 ทำโมปดีโปจะหมายถึงอะไรเป็นธรรมถ้ามหมายถึงจิตคือบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแทงไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิตประเภทนี้แหละจิต ท, ที่ที่กล่าวในในบางตนว่าถ้าเป็นน้ำกอนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก็ออกลมกลม่อมจืดสนิทไม่มีที่ต้องติ หมดทางต้องติมันได้เป็นสภายุงอีกไล่มันออกสภายุงภานกิจิตใอนมันเป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่อย่างนั้นอยู่ไหนก็รู้อยู่ไหนก็สว่างสวัย เนี่ยที่เคยพูดว่าถ้าเขาเป็นด้านวัตถุแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกธกาตุนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างลา ก, กราบว่าอย่างสนิทตาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทาแท้เป็นอย่างนี้ อ, อ้าวหูก็ได้ฟังชัดว่าทาท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็น ทำมันอัศจรรย์ น, นั้นด้วยหูก็ดียินจะทําแสดงกังวาลออกมาด้วยเอื้อจะว่ายังไงแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความเจริญต้องการของดีพิเศษอยู่แล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่มีแต่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉนั้นจริงต้องกําดํากําขาวไปม เช่นเดียวกับเรากับท่านทั่วโลกทั้งสารแต่ตำนี้ก็ตำหนี้ไม่ลงใครต้องการความถูกความวิเศษวิโส ด, ด้วยกันแต่เมื่อวิสัยไม่สามารถอาจรอาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไปเป็ น, ปนธรรมดาเนี่ย mm. แต่เมื่อเราปฏิบัติก็ไปแล้วมันก็ทราบายอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะประกาศถ้าคนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้ แต่ก็แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอาการลิโกเนี่ยท่านว่าทมแท้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนนั่กําหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องผกพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทำให้มัวหมองไปนัพยายามแก้ไขพยายามปัดเป่าแยกแยะ ก, กันด้วยสติปัญญานี้หละธรรมสาระคือาร น, นี่แหละเป็นสาระ